Thank you. วันนี้พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใ จ, จกันมาเพื่อมาบําเพ็ญกิจอันเป็นหน้าที่หน้าที่พึงมีต่ออาจารย์กําพลทองบุญนุ่มซึ่งหลายท่านนับถือเป็นเกรเรอนมิตรนับถือเป็นครูบาอาจารย์ตลอดช่วงเวลา40ปีของท่านอาจารย์กําพลท่านได้บําเพ็ญตนเป็นครูมาตลอด ในช่วงแรกก็เป็นครูที่สอนแต่ในเรื่องทางโลกสอนวิชาพล ศ, ศาึกษาซึ่งก็เป็นเรื่องของร่างกายล้วนๆให้มีสุขภาพแข็งแรงแต่ในช่วงยี่สิบปีหลังหรือยี่สิบปีสุดท้ายของท่านจะเป็นครูที่สอนธรรมให้กับผู้คนมากมายซึ่งหลายท่านก็ได้มาอยู่พร้อมกันนาทีนี้แล้ว อาจารย์พลได้เปิดทางสว่างให้กับผู้คนมากมายที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นมืดมิดแต่ชี้ทางแห่งการออกจากทุกข์สําหรับผู้คนที่อดอะไรตายอยากกับชีวิตหรือว่ายอมจํานนกับปัญหาท่านได้สร้างความหวังหรือปลุกความหวังให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ ไม่พบทางออกกับชีวิตมาก่อนหลายท่านก็เจ็บป่วยด้วยโรค ร, รายหรือพิการอย่างเดียวกับท่านหรือน้อยกว่าท่านหลายท่านก็เป็นบุคคลปกตินะที่มีอวัยวะครบถ้วนทั้ง32ประการแต่ก็ได้รับอนิสงทางธรรมจากอาจารย์กำรล บุคคลเหล่านี้มีมากมายนับไม่ถ้วนทั้งพระทั้งแม่ชีและญาติโยมพวกเราทั้งหลายในที่นี้อาตมาเชื่อว่าเรียกอาจารย์กำพลว่าอาจารย์อย่างเต็มปากเต็มคำไม่ใช่เพราะว่าท่านเคยเป็นครูสอนวิชาพละในโรงเรียนที่นครสวรรค์แต่ว่าเพราะถือว่าท่านเป็นอาจารย์ทางธรรม ก็ให้ความสว่างกับชีวิตแต่อาจารย์กำพลมักจะพูดอยู่เสมอเหมือนกับจะเป็นทำนองปฏิเสธไกลๆว่าท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ทางธรรมดังท่านมักจะพูดว่าท่านคืออุปกรณ์สอนธรรมท่านพอใจที่จะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมมากกว่าที่จะเป็นอาจารย์ทางธรรมอันนี้ก็สะท้อนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านแตในเวลาเดียกัน คำพูดไม่กี่ไม่กี่คำนี่แหละนะที่สามารถจะให้แง่คิดอะไรต่างๆกับเรามากมายควาว่าอาจารย์ทางธรรมสารอาจารย์กําพลแล้วเนี่ยมันมีความหมายน้อยน้อยกว่าควาว่าอุปกรณ์สอนธรรมหรืออุปกรณ์แห่งพระธรรมค ว, มว่าอุปกรณ์สอนธรรมเนี่ยนะหมายความว่าอย่างไรเราได้เห็นธรรมะอะไรบ้าง จากชีวิตและการดารงอยู่ขออาจารย์กรรมลอาตมาคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือท่านได้สอนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงหรืออันดิจังชีวิตท่านเป็นแบบอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารจากครูวัยยที่มีอนาคตสดใสวันดีคืนดีก็กลายเป็นผู้พิการ ที่แผนการทั้งยาทั้งหลายในอนาคตที่ได้วางเอาไว้ต้องยกเลิกจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการบวชหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างอาจารย์หรืออย่างแม่กระทั่งปุถุชนทั่วไปจากคนที่มีความหวังมีอนาคตสดใสก็กลายเป็นคนที่อนาคตดับบูก และในช่วงนั้นก็รอวันตายสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นเนี่ยได้เตือนใจเราเป็นอย่างดีนะว่าชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงวันนี้สุขสบายดีแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะเจ็บป่วยหรือพิการวันนี้เดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่ชั่วโมงหน้าอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยรถเข็นถ้าว่าเราเห็นอาจารย์คำพล สมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่และเกิดความไม่ประมาทในชีวิตเพราะตระหนักว่าอะไรอะไรที่เลวร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ถือว่าเราได้เรียนธรรมะจากอาจารย์กัมพลแล้วอาจารย์กัพลจะเป็นอุปกรณ์สอนรมให้เราตระหนักถึงความทุกข์ของสังขารความเจ็บป่วยและความพิการของท่าน มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตและรอที่จะเกิดขึ้นกับทุกผู้คนเพียงแต่ว่ามันเกิดกับอาจารย์กำพลก่อนคนส่วนใหญ่เท่านั้นเกิดในขณะที่ยังเป็นหนุ่มสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยนะมันน่าจะเตือนใจเราให้ตระหนักถึงคําสอนของพระพระุทธองค์ที่เราได้สวดทุกเช้า ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วผู้คนแม้จะไม่ตระหนักว่าความทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถึงแม้จะไม่ตระหนักอย่างน้อยก็ถึิ่งระลึกว่าความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ได้ ปรากกับเราในรูปของความทิการแต่ก็จะมาในรูปของความเจ็บป่วดอย่างอื่นมองจากภายนอกอาจารย์กำพลเป็นคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความไม่สมประกอบหรือความทุกข์ความเสื่อมเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่จะแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนเมื่อไหร่ หากมีเหตุปัจจัยมากระทบความทุกข์นั้นก็แสดงตัวอย่างชัดเจนสำหรับบางคนความทุกข์นั้นคือความเจ็บป่วยแต่สำหรอาจารย์กำพลเมื่อ40ปีก่อนความทุกข์นั้นก็คือความพิการแต่แม้เราจะไม่ได้พิการอย่างอาจารย์กำพลแต่สังขารร่างกายของเรานั้นก็เต็มไปด้วยความพร่องไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์เหมือนกันเราเคยตังหนักเรื่องนี้หรือเปล่า เพียแต่ว่ามันไม่สแสดงตัวหรือไม่สแสดงปัญหาหออกมาเห็นอย่างชัดเจนเท่านั้นเองแต่วันดีคือดีมันก็สแสดงตัวออกมาบางคนอาจจะเจริญในสมองแตกแล้วก็พิการไม่กี่วันถัดมาหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยหนักจกนกระทั่งไม่สามารถจะเดินเทินได้ความคร่องมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นหรือมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วที่จริงมันสแสดงตัวมันอยู่กับเราตลอดเวลา เพียงแต่ว่ามันรอที่จ ะ, สะแสดงตัวออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเท่านั้นเองในกรณีจังผลนั้นมันเกิดขึ้นแณะที่ท่านอายุยี่สิบสี่แต่สำหรับพวกเรามานันอาจจ ะ, สะแสดงตัวในวันข้างหน้าจะเป็นเมื่อไรไม่ทราบนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องตนหนักนะเมื่อเราได้เรียนรู้อยู่กับอาจารย์กาพล อย่างแล้วก็ตามเนี่ยอาจารย์กำพลยังเป็นอุปกรณ์สอนธรรมในอีกด้านหนึ่งของความจริงก็คือว่าแม้ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแม้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วแต่เราก็สามารถจะออกจากทุกข์ได้แม้จะทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้อันนี้เป็นธรรมหรือความจริง ที่อาจารย์กัมพลได้ทอนจากชีวิตของท่านและได้บอกกับเราเป็นการให้ความหวังกับพวกเราทั้งหลายที่มีความทุกข์ว่าหนทางแห่งความทุกข์นั้นออกจากความทุกข์นั้นมีอยู่อาจารย์กัมพลประสบกับภัยที่ทำให้พิฏการแต่หลังจากที่ท่านเข้าใจความจริงข้อนี้ท่านก็ลาออกจากความทุกข์จิตใจเราออกจากความทุกข์ เพราะท่านได้ตระหนักว่าทีพิการนั้นเนี่ยมันพิการแต่กายแต่ใจไม่ได้พิการด้วยหลงคิดเช่นนานว่าเราพิการเราพิการการปฏิบัติธรรมทําให้อาจารย์กรรผลได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิการแต่กายความทุกข์บางอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรวมทั้งต้องประสบความพัดพรากด้วยนี่เป็นความทุกข์ที่แม้กระทั่ง พระรหัน์ทั้งหลายก็ต้องประสบแต่ไม่จำเป็นว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องโศกร่ำรายรำพันคร่ำครวญบวตลายตายอยากกับชีวิตสมัยหนวยกางกําพลก็ตกอยู่ในความทุกข์ใจที่ว่าแต่การปฏิบัติธรรมก็ทำให้ท่านได้เห็นว่าแท้จริงแล้วเป็นเพราะความหลงที่ไปคิดว่าเราพิการ ที่จริงมันไม่มีเราที่พิการที่พิการนั้นเป็นแต่กายเมื่อเห็นความจริงเช่นนี้นะิตก็หล่าจากความทุกข์เพราะรู้ว่ามันเป็นแค่กายที่พิการส่วนใจไม่ได้พิการด้วยแล้วท่านก็นับแต่นั้นมาท่านก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้ว่าความทุกข์จะคอยบีบคั้นร่างกายอยู่ตลอดเวลา แต่ท่านก็ยังสามารถจะยิ้มได้อยู่เสมอใครที่อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์กับคนได้สนทนาท่านก็จะรู้สึกถึงความสดใสในจิตใจของท่านนะที่เกิดขึ้นท่ามกลางความพิการเมื่อได้เห็นท่านแล้วก็เชื่อว่าเราจะตระหนักถึงพุทธภาษิตตอนหนึ่งที่ว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ ก็ยังหาสุขพบเพราะที่จริงสุขนั้นก็อยู่ท่ามกลางความทุกนั่นแหละท่ามกลางร่างกายที่ทุกข์เพราะป่วยพอพิการแต่ความสุขใจก็สามารถเกิดขึ้นได้หมองใ น, นแง่หนึ่งความทุกข์ทำให้ท่านเข้าหาธรรมถ้าท่านไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พิการก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านก็จะเหมือนครูทั่ ว, วไปจบกเกียน เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณเหมือนคนปกติอาจจะคิดถึงเรื่องการมีเงินการมีความสุขอย่างโลกโลกแต่เป็นเพราะความที่การทำให้ท่านได้หันเข้าหาธรรมะเริ่มจากการอ่านหนังสือธรรมะก็เพราะว่าสบายใจชั่วคราวแต่พอหยุดอ่านก็ทุกข์ใหม่จึงเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรม ถ้าไม่ใช่พระความพิกการของท่านท่านก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนหรือว่าไม่เหมือนกาบได้พบปากกับหลวงพ่อคำเขียนการที่ท่านได้อุตสาหะนะเขียนจดหมายไปถึงหลวงพ่อคำเขียนเมื่อ21ปีที่แล้วขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียงอันนั้นคือจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทําให้ท่านไดนะ้เข้าสู่ธรรมะคําสอนของหลวงพ่อคำเขียน ที่ได้เรียบเรียงในะจดหมายทําให้ท่านอาจารย์กำพลได้เห็นแนวทางการปฏิบัติหลวงพ่ออมเขียนได้ย้ําได้แนะว่าให้ท่านหมั่นรู้สึกตัวนะมือที่พลิกไปพลิกไปพริกมาให้รู้สึกตัวรู้ว่ามือรู้ว่ามือนี้เคลื่อนไหวใจเผลอคิดนึกไปก็ให้รู้ทัน มีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็แค่ดูอย่าเข้าไปอยู่มีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็แค่เห็นอย่าเข้าไปเป็นคําสอนที่ไม่ยืดยาวเพียงเท่า น, นี้แต่ด้วยความอุตสาหะของท่านอาจารย์กำพลก็ทําให้ได้เห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เราที่พิการมันเป็นแต่กายที่พิการเมื่อรู้ว่ากายชันงทพิการนะจิตก็ เราจะความทุกข์เพราะว่าแท้จริงแล้วจิตไม่ได้ที่การเลยแต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะความหลงทำให้ไปจิตนั่นแหละไปยึดเอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของกูไปถ้าหากว่าจิตนั้น เ, เพียงแค่ดูไม่เข้าไปอยู่เพียงแต่เห็นไม่เข้าไปเป็นก็ไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นที่การก็เป็นเรื่องของกายใจใจก็ยังเป็นปกติ ดยเห็นนี้ท่านจึงมีความสุขยิ่งกว่าคนมากมายที่มีสุขภาพดีมีอาการครบสามสิบสองว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ทุกข์เท่านั้นที่พาให้อาจารย์กำพลเข้าหาธรรมแต่ทุกข์นั่นแหละนะที่เป็นวัตถุดยีดยางดียางดีที่ทำให้ได้ท่านได้เห็นธรรมอาจารย์กำพลเคยพูดว่า ต้องขอบคุณความทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้รู้จักทุกข์และทําให้เห็นทางออกจากทุกข์ทุกข์นัน้นไม่ได้เป็นหน้าไม่ได้ทําหน้าที่แค่ผลักใส่เราให้เขาหาธรรมข้อดีของความทุกข์อย่างหนึ่ก็คือมันคือธรรมตัวมันเองคือธรรมที่ถ้าหาการเราเราเข้าใจเราเห็นเราก็จะออกจากทุกข์ได้เยอะนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือกําหนดรู้ คำว่ารู้ในที่นี้ฉันใช้ว่าปริญญาแต่คนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเมื่อทุกข์แล้วเนี่ยแทนที่จะรู้แทนที่จะเห็นกลับเป็นทุกข์ในจหมายที่หลวงพ่อทำคำเขียนเขียนถึงอาจารย์คำผลท่านก็ย้าว่าอย่าเข้าไปเป็นเห็นทุกข์อย่าไปเป็นผู้ทุกข์เห็นอย่างเดียวไม่ต้องเป็นกับอะไรทั้งสิน้นแล้วถ้าเราเห็นทุกข์อย่างจำแจ้งน ก็จะรู้ว่าออกเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในทุกนั่นแหละเป็นเพราะความไม่เข้าใจในความจริงว่าทุกสิ่งนั้นเป็นทุกมันทําให้เกิดความทุกข์ใจเมื่ออะไรอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไม่เป็นไปอย่างที่ยึดมั่นถือมั่นอาจารย์กำพลเคยพูดว่าความทุกเนี่ยทําให้รู้จักชีวิตถ้าไม่เจอทุกหรือไม่มีทุกก็ไม่รู้จักชีวิตคําว่ารู้จักชีวิตเนี่ยอันท่านมีความ ความแบงท่านเนี่ยมีความหมายกว้างนะคือการเข้าใจหรือการเห็นความจริงแห่งชีวิตเพรามจริงชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยแต่เพราะความทุกข์นั่นแหละที่ทําให้เป็นเพราะความหลงนั่นแหละที่ทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์และทุกข์ในที่นี้เนี่ยก็คือความทุกข์ใจส่วนความทุกข์กายนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะหนีพ้นได้เป็นตั ว, วมันจะเกิดขึ้น น้อยหรือมากอุปกรณ์สอนธรรมของอาจารย์กำพลเนี่ยยังทำให้เราได้ตระหนักอีกว่าธรรมะนั้นเนี่ยมีอนิสงส์มากสามารถจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้แต่ไม่ใช่เป็นสุขอย่างที่เราเข้าใจเป็นสุขที่เหนือสุขถ้าไม่พบธรรมอาจารย์กำพลก็อาจจะยังเต็มไปด้วยความทุกข์ หรืออาจจะไม่มีชีวิตจนถึงป่านนี้ก็ได้หลวงพ่อพคำเขียนเองนะถ้าเคยพูดว่าถ้าท่านได้ไม่ถ้าท่านไม่ได้มาทางนี้คือมาทางธรรมนะท่าคงจะอายุสั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยนะต้องทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะทําอะไรต้องไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นต้องให้ดีกว่าคนอื่นจึงจะไม่ได้ความเครียด ไปด้วยแล้วก็เจอโรคภัยแค่เจ็บแต่เป็นเพราะธรรมเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถจะนำพาชีวิตจิตใจเนี่ยออกจากความทุกข์ได้ใครที่ได้รู้จักได้สนทนากับปัจจัยกราพลอรตมาเชื่อว่าจะมีความมั่นใจนะว่าธรรมเนี่ยสามารถจะช่วยทำให้ออกจากทุกข์ได้รวมทั้งรู้จักช่วยโอกาสจากความทุกข์นั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์ จะไม่ยอมทุกฟรีฟรีนะหลวงพ่อคำแก่นให้ผู้อยู่สมอว่าอย่าทุกฟรีฟรีเพราะทำนั่นแหละจึงทำให้อาจารย์กำพลเนี่ยพิการเป็นคนส่วนใหญ่พิการไม่เป็นก็คือพอพิการกายปุ๊บใจก็พิการด้วยอาจารย์กำพลพิการเป็นนะจึงพิการแต่กายธรรมะเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์กำพลเนี่ยนะคือความรู้สึกตัว สติอันนี้เป็นธรรมที่มีพลานุภาพมากที่ทำให้ถอนจิตออกจากความทุกข์ได้เพราะความสึกตัว น, นียช่วยรักษาใจให้เห็นไม่เข้าไปเป็นให้เพียงแค่ดูนะไม่เข้าไปอยู่กับความทุกข์และเพราะการเห็นด้วยใจที่เป็นกลางนั่นแหละจึงทำให้เห็นความจริงเห็นธรรมะแล้วเมื่อเห็นธรรม อย่างลึกซึ้งนะก็สามารถจะออกจากทุกข์ได้ถ้าเราเรียนจากตางกัมพลถึงว่าเร า, เราป่วยเราก็จะป่วยเป็นไม่ป่วยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อถึงข้าวป่วยก็ป่วยเป็นก็คือป่วยแต่กายใจไม่ป่วยป่วยอย่างไรใจก็ไม่ทุกข์อันนี้เป็นต้องความหวังที่ให้กาลังใจเราแล้วก็เป็นสิ่งท้าทายด้วยว่าเราจะทำได้ไหม แต่ถ้าเราทำไม่ไดนะ้ความทุกข์ก็รอเราอยู่เบื้องหน้าแล้วหรืออาจจะ ก, กำลังครอบงาย่ํเยี่ยเราอยู่ในขณะนี้ก็ได้อุปกรณ์สอนธรรมในความหมายขางจางพลอัตมาเชื่อยังหมายถึงความจริงที่ว่าแม้แต่คารวะเองก็สามารถจะเข้าถึงธรรมหรือบรรลุธรรมได้ธรรมะนั่นเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะบรรพชิตแนะม้กระทั่งคฤหัสถ ผู้ครองเรือนแค่ถือศีลห้าก็สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะว่าธรรมะนั้นไม่ได้จากัดกับคนบางกลุ่มบางประเภทเท่านั้นเมื่อกี้เราได้สวดนะอภิธรรมมีข้อความหนึ่งว่าเนี่ยผู้ควรแก่มรรคผลนิพพานและผู้ไม่ควรแก่มรรคผลนิพพานผู้ควรแก่มรรคผลนิพพานนั้นเนี่ยไม่จไไําเป็นต้องเป็นพระนุ่ง เหลืองหรือขมขาวเท่านั้นจะเป็นหญิงหรือชายเป็นคือหลายคาราวาก็เป็นได้เพราะความเป็นพระแท้จริงเนี่ยอยู่ที่คุณธรรมภายนในในสาพุทธการเนี่ยมีอมตท่านหนึ่งนะชื่อสันตติอมตะเป็นคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยเอาแต่อยู่กับโลก และวันหนึ่งก็มีโชคเพราะว่าได้มีโอกาสครองราชยุทธ์เจ็ดวันพนะระเจ้าปัศดิโกศลบำเน็ตคุณงามความดีให้เป็นพระราชาอยู่เจ็ดวันแทนที่จะใช้โอกาสนั้นนะทำความดีสร้างประโยชน์กับมหาชนก็เอาแต่สนุกสนานมีการเสพมีการบันเทิงเริงรม มโหฬสพความบันเทิงตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนจนกระทั่งหญิงฟอนลำคนหนึ่งที่เป็นที่ปลดปลาน ก, เกน็เสียชีวิตนะตายคาที่เลยเนะพราะวันเหนื่อยมากจอตเทีย ม, มาเสียใจมากไม่รู้ว่าอะไรจะบรรเทาความเศร้าโศกได้ก็จึงไปไปหาพื่จ้าราะยวันพันปีไม่เคยไปแต่เมื่อมีความทุกข์จึงต้อง ไปเฝ้าพิจพระองค์พระองค์ก็แสดงคำให้เห็นเลยถึงความทุกข์ของความพัดพรากว่ามันเป็นธรรมดาน้ําตาที่สูญเสียว่าความพัดพรางนี้ชาดแล้วชาดเล่านี่มันเท่ากับมหาสมุทรทีเดียวแล้วก็ได้ชี้เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับอะไรกิเลสแล้วก็ให้ความหวังว่ากิเลสที่เคยมีเคยเคยครอบงาใจก็ขอให้ละ แล้วก็อย่าให้มีกี่เลดใดหลงเหลืออยู่ถ้าเตรียมมาพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระรหัตแต่คงเป็นเพราะว่าได้เหนื่อยล้ากับการบันเทิงรมงรมากนะก็ถึงแก่การเสียชีวิตในเวลาไม่นานในวันนั้นพระสงฆ์ก็ได้สอบถามพระรธเจ้าว่า จะถือว่าสันเสติอามาตนั้นเนี่ยเป็นครือหักหรือเป็นสมณพพราะท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระเป็นพระอรหันต์ค่ะที่เป็นคารวะแต่พระสงฆ์ก็สงสัยว่าจะเรียกท่านว่าอะไรภูเจก็ตัดว่าว่าให้เรียกท่าเป็นสมณะโดยการตัดเป็นข้อความว่า บุคคลแม้ประดับประดาประดับประดาหมาว่าแต่งมีเครื่องประดับประดาร่างกายแต่ประพฤติตนสม่ำเสมอเป็นผู้สงบเป็นผู้เที่ยงธรรมปฏิบัติอย่างประเสริฐวางอาญายาในสัตว์ทั้งหลายท่านผู้นั้นเรียกว่าเป็นพรามเป็นสมณะเป็นภิกษุครวมาสงฆ์ในพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้ที่ข่มเหลืองแต่หมายถึง ผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงนะเป็นภาริยบุคคลจะเป็นภิกษุจะเป็นคลือขัดก็ถือว่าเป็นสงฆ์ในพารตะนักไตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราได้พิจารณาถึงชีวิตแบบอย่างว่าจัง ก, กัผลก็ขอให้เราได้ตระหนักว่าความเป็นสมณนะความเป็นภิกษุนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่ เครื่องนึ่งหงและการเข้าถึงธรรมนั้นก็อยู่ในวิสัยของทุกผู้คนได้หรวอพว่ออมเขียนได้เขียนในจดหมายเชิาจารย์กำพลว่าตาบได้ที่แม่ที่การแต่ตาตาที่ยังมีความสึกตัวอยู่ก็ถือว่ามีหนอแห่งพุทธและหนอพุทธานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะบำรุงเลี้ยงให้งอกงามจนเป็นโพต้นใหญ่หรือว่านำไปสู่การ ตัสรู้ได้อันนี้ก็เป็นธรรมะที่เราพึงจะได้สดับรับรูบรนะ้เมื่อเราได้มาศึกษาธรรมกับอาจารย์กำรผลเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราได้นะพิจารณาและอาศัยประโยชนนะ์จากอุปกรณ์สอนธรรมซึ่งบันนี้นะก็ได้มา ทอดร่างอยู่ข้างหน้าเราแล้วแต่ก็ยังไม่ยหยุดหรือยุติในการสอนธรรมแม้หมดลมแล้วจารกับเพนก็ยังสอนธรรมนะด้วยสังขารของท่านว่าถึงสุดแล้วก็ต้องตายจุดหมายปลายทางก็คือเชิงตะกอนก็ขอให้เราได้นะนะทา่จรณาธรรมที่ท่าน กำลังได้แสดงให้กับเราอยู่เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราเนี่ยบาเพ็ญเพียรในการปฏิบัติธรรมตอนที่อาจารย์กัปพลได้รู้ว่าท่านเองกำลังอยู่ในวระสุดท้ายนะเพราะโรคร้ายท่านก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรและท่านได้แนะนำจากการปฏิบัติของท่านเองซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เจ็บนะป่วย ท่านบอกว่าให้ยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเป็นโรคร้ายไม่ต้องตีโพยตีพายอย่า บ, นบ่นวยวายหรือคร่คําครวญว่าทําไมต้องเป็นชั้นเพราะว่าใครๆก็เป็นได้ทั้งนั้นประการที่สองคือยอมรับความเป็นไปเมื่อรู้่าตัวเองเป็นโรคร้ายและพยายามรักษาเยียวยา แต่ถ้ามันไม่หายเราก็มาลุกลามมากขึ้นความเป็นไปอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ต้องยอมรับเมื่อรักษาแล้วไม่หายก็ยอมรับว่ามันไม่หายแล้วก็ยอมรับว่ามันมีความตายเป็นเบื้องหน้าสุดท้ายคือ ย, ยอมรับความตายเมื่อความตายมาถึงนะก็ไม่ต้องตีโพยตีพายนะยอมรับความจริง การยอรับความจริงเนี่ยมันเป็นกุญแจที่ช่วยปลดปลื้งใจออกจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนแต่การดิ่นรนต่อสู้ขัดขืนนี่แหละสร้างความทุกข์ใจให้ยิ่งกว่าโรคร้ายเสียอีกโรคร้ายมันทำได้แต่สร้างความทุกข์ให้กับร่างกาย แต่เพราะดิน้นรนต่อสู้ขัดขืนไม่อรับความจริงความทุกข์ใจจึงเกิดขึ้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะโรคร้ายแต่ทุกข์ใจเพราะใจมันกระทำซ้าเติมตัวเองถ้ารักตัวเองก็อย่าซ้าเติมตัวเองถ้าจะทุกข์ก็ให้ทุกอย่างเดียวคือทุกข์กายอย่าให้ทุกข์ใจด้วยแล้วถ้าฉลากันนั้นก็อย่าทุกข์ายฟรี อาศัยความทุกข์กายนั่นแหละมาเป็นวัตถุติสอนธรรมจริงอุปกรณ์สอนธรรมเนะี่ยมันมีอยู่กับเราทุกคนแล้วละ่ะความเจ็บความป่วยในตัวเราในร่างกายของเรานี่คืออุปกรณ์สอนธรรมอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นในใจมันก็คืออุปกรณ์สอนธรรมเราทั้งหลายมีอุปกรณ์สอนธรรมอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นอย่าไปคิดว่าอุปกรณ์สอนธรรม วันนี้จะถูกไฟเผาผลาญจนเหลือเพียงแค่เท่าและอังคารอุปกรณ์สอนธรรมยังมีอยู่มีอยู่กับเราติดตัวเราไปตลอดเวลาขอเพียงแต่เราเอาคำสอนของอาจารย์กำพลและครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเอามาเป็นเครื่องเตือนใจวันนี้เรามาทําหน้าที่ต่อศรีละของท่านอาจารย์กําพลแต่หน้าที่ต่อคําสอนของท่าน ยังมีอยู่ก็ขอให้เราได้ช่วยกันบำเพ็ญหน้าที่ทั้งสองการให้ครบถ้วนหลังจากวันนี้ไปเมื่อภารกิจต่อสรีระของท่านก็เป็นอนุตตรแต่ว่าหน้าที่ต่อคําสอนของท่านยังมีอยู่และรอการรอความตั้งใจความภาคเพียรพยายามของเรา <S <S ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ เ, เกิดแรงบันดาลใจจากการที่ได้มาเรียนรู้ได้มารู้จักได้มาสัมผัสกับท่านอาจารย์กรรมลให้ช่วงเวลาที่เราได้เคยอยู่กับท่านได้พบปะสน d i a กับท่านมีความหมายยั่งยืนต่อไปในอนาคตอย่าให้ยุติเพียงแค่ไปพาะเพองกับการ สิ้นลมของท่านมาก็ได้กล่าวนะทำบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอเจริญพร